ขอความสุขความเจริญจงมีแลิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมาวิทยาสีปทุมกาลังนำเสนอสุภาษิตของพระสารีบุตรเถระมาถึงข้อที่พันเก้าท่านบอกว่าในวรห้าเหล่านี้คือกามฉชันหนึ่งพยาบาทหนึ่งอินมิธาหนึ่ง อุทจจักุปจจะหนึ่งวิจิกิิชาหนึ่งเป็นธรรมเครื่องสศา้มองใจของภิกษุที่ตัณชาคำว่าภิกษุเพราะว่าพูดกับภิกษุถ้าพูดกับญาติโยมก็บุคคลทั้งหลายเพราะว่าการทำความจริงอาการของนิวรณ์ที่กล่าวมาแล้วสองข้อ คือกา ร, รมชันทะความรักใคร่พอใจในสิ่งต่างๆพยาบาทความมาคาดพยาบาทจงเวนจงล้างจงผ่านกันรู้แล้วแต่ไปอยู่ภายในใจของคนสัตว์ทั้งหลายในโลกมาความมาพฤติกรรมต่างๆที่เลวร้ายรุนแรง จนถึงเขียนค่ากันทาลายล้างกันบางครั้งบางคราวก็กลายเป็นศึกสงครามเป็นมายุธทธสงครามโลกคือคนในโลกหลายๆประเทศมารบ ก, กันแบ่งเป็นฝังเป็นฝ่ายก็รู้แล้วแตเกิดมาจากอาการของกิเลสเหล่านี้ทั้งนั้นคือมันเริ่มต้นจากการกรุ่มรุมใจก่อน ต่อแต่นั้นก็จะออกมารุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุจริตก็ไปทั้งกระบวนทั้งกายทั้งวา จ, จาทั้งใจเวลาพูดถึงฝ่ายตรงกันข้ามกราคากระตอนที่สมัยเราเรียนประวัติศาสตร์ต่อมาเป็นเด็กๆ เ, นะเวลาพูดถึงพมา่าเรียกว่าพมา่าฆาศสุด ทวันก็ไม่ได้เรียกแล้วทุกคําจะต้องมีคําว่าพมา่าค่าศึกกันนั้นเราเปนเด็กเราก็คล่องใจสงสัยว่าเอกราวทําไมไม่เรียกว่าลาวค่าศึกเมขมรค่าศึกเวียดนามค่าศึกมาลายูค่าศึกแต่ทําไมจึงเจาะจงเรียกเฉพาะประเทศพมา่าก็เป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ อาคาดพยาบาทถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อไทยทําสงครามกับพมา่าแต่เป็นเรื่องของคนรุ่นก่อนหมายความว่าฝ่ายไทยก็ตายหมดแล้วฝ่ายพม่าก็ตายไปหมดแล้วพอรื้อฟื้นขึ้นมามันก็มีความรู้สึกไม่ดี่ไทยก็รู้สึกไม่ดีต่อพอมา่า พอมาเมื่ออ่านไปเจอข้าวก็รู้สึกไม่ดีต่อไทยก็สร้างคู่จองเวรรุ่นใหม่ขึ้นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอาคาศพยาบาทวันก่อนได้นำเสนอประเด็นของการมชั้นทาและพยาบาทตามโครงสร้างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตร ซึ่งท่นานใช้เป็นหลักสูตรในการเจริญกรรมฐานของพุทธบริษัททั้งหลายกันมาเป็นเวลานา น, านเพราะว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่มุ่งแสดงเรื่องกรรมฐานโดยเฉพาะมีหลักการมีวิธีการมีปฏิบัติการมีผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการเรียบร้อยวันนี้จะพูดถึงฉีนามิทถะ อีนมิธะเป็นอาการของจิตที่ง่วงเหงาหานอนซึ่งซึ่งง่อยเหงาอดหูเคลิบเคริบจืดชืด ช, ชายเย็นเหนื่อยนายท้อถอยหมดอะไรตายอยากส้นจนถึงกับอาการซึมเศร้าแล้วก็อาจจะถึงตายด้วยกัยได้โรคซึมเศร้านี่เป็นโรคแรงอย่างหนึ่งนะครับ คือเรียกว่าไม่อาบน้ำไม่กินข้าวไม่ลุกนั่งไม่ลุกเดินนอนซมอยู่อย่างนั้นเองแล้วก็คิดหมกมุ่งรุนแรงอยู่ภายในใจก็เรียกอย่างหนึ่งว่าลกุกเศร้าตายคือซึมเศร้าจนเฉาไปเลยแล้วก็ตายไปเลยเป็นเดชการที่เคยเกิดขึ้น เมื่อก่อนนี้ก็ไม่เชื่อว่าโรคโหล่นี้มีจริงแต่ประเทศจีนเคยมีอาการโรคโหล่นี้รายงานเอาไว้โดยเจอกอาจารย์หมาวเทลัยอาจารยนก็มาเล่าฟังพูดถึงโรคเฉาตายนี่แหละบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้คนนิ่งๆเฉาตายปไปเลย ต้องก็เล่าให้ฟังสองเรื่องเรื่องหนึ่งสามีกับพัญยาเป็นอาจารย์สอนวิทยาไหลด้วยกันสอนในที่แห่งเดียวกันนั่นแหละแต่คนละคณะอาจารย์ผู้ชานั้นมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในวงการบริหารมีการประชุมมีการสัมมนามีอะไรตไระไยก็ต้องออกจากบ้านเร่ไปค้างที่อื่นเร่ ต่อมาก็มีเพื่อนมาเล่าให้ฟังวีนอาจารย์ผู้ชายเข้าไปในโรงแรมกับผู้หญิงชื่อนั้นชื่อนั้นเวลานั้นเวลานั้นแกก็รับฟังแล้วก็เก็บกดเอาไว้ไม่ยอมซักถามไม่ยอมไปตรวจสอบดูจนคราวหนึ่งอาจารย์ผู้ชายไปประชุมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณเจ็ดวัน อาจารย์ผู้หญิงก็นอนคิดครุ่นคิดแบบนี้คงอยู่กับผู้หญิงปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะฮะจินตนาการไปเรื่อยๆจดหมดอะไรตาอยากในชีวิตกว่าจะครบเจ็ดวันก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ำอะไรในสุดก็ตายไปอาจารย์นี้มาเล่าบอกว่าเป็นเพื่อนกัน เขาก็ไปเกี่ยวข้องตั้งแต่เขาไม่สบายจนถึงกับจัดการงานศพแล้วก็เผาไปแล้วก็ท่านแถมขึ้นอีกเรื่องหนึ่งว่าหมาตัวหนึ่งเนี่ยรักเจ้าของมากติดเจ้าของเจ้าของไปทำงานก็ไปส่งถึงรถเจ้าของกลับมาก็วิ่งไปรับถึงรถ แล้วก็นอนคลอเคลียอยู่ใกล้เจ้าของนั่นแหละถูกผ่านมากรักมากวันหนึ่งเจ้าของเกิดเป็นลมแล้วเข้าโรงพยาบาลก็คงจะมีอาการโรคอื่นแทรกซ้อนด้วยแหละก็อยู่เอาหลายวันสองสามวันมาพอหาเจ้าของไม่เจอเนี่ยแกก็นอนอย่างนั้นน่ไม่ยอม ลุกขึ้นยืนไม่ยอมกินข้าวกินน้ำจนในสุดขนร่วงพอเจ้าของก็หายกลับมาเนี่ยแกเห็นก็ดีใจลุกขึ้นวิ่งเข้าไปตะกุยตะกายสารพัดพอเจ้าของก็นั่งลงก็ารามที่ดีใจมากเกินไปก็สลบไปเลยนะ แล้วก็ต่อมาก็ค่อยๆฟื้นขึ้นขนก็งอกขึ้นสวยงามเหมือนเดิมมันก็แสดงว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการตามที่เขาเล่าเนี่ยก็คือซึมเศร้าเป็นอาการที่ซึมเศร้าว่าเหงาหานอนเสื่มซึมหงหยเหงาหดหูเคริบเคริมจืดชืด ช, ชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยสิ่งหมดอะไรตาอยากในชีวิต ตอนตีต่างว่าทีน้มพิธาเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในใจก็พิจารณาดูรู้ว่าขณะนี้ทีน้มพิธาเกิดขึ้นภายในใจของเราแล้วก็ดูว่าก่อนนี้ทีน้มพิธาไม่เกิดแต่ตอนนี้มันเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เอ่ยเกิดทีนมิถานนั้นอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลีในะจิตตะคือจิตมันหดหูหดหูไปเรื่อยๆซ้ำๆซากๆ ก, กินเวลาหลายวันหรือว่าซึมเศร้าเป็นปกติพอจิตมันหดหูจิตไม่องอาจจิตไม่กล้าหารจิตไม่เชื่อมัน่นจิตไม่กระฉับกระเฉงไม่ปรับรยวไม่ว่องไวซึมเศร้า แล้วก็เกิดอากาครคลานคลานนะฮะคือคานคลานกายคลานจิตไม่ยอมลุกไม่ยอมพลิกนั่งแล้วไม่ยอมลุกไปไหนนอนแล้วไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมอาบหน้ากินข้าวกินปลาอะไรตไร่างต่างแล้วก็รับประทานอาหารมากไปก็เกิดอาการง่วงนอนแล้วก็ซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น พันธะ ก, ก็ให้ดูว่าทีนามิธาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงจะสงบลงไปได้ก็ให้ศึกษาวิธีที่จะทำให้ทีนามิทามันสงบท่านบอกว่าจะทำให้สงบเนี่ยมันทำให้ร่างกายในกระจับประเชียง ด้วยทำอะไรก็บากบั่นมุมาณะทำออกไปจริงจงจังๆเขาเรียกว่าปรากรมาคือบากบัตนอุตสาหะก็คืออุตสาหะไม่ประวันพร่นพรึงต่อฝนงฟ้ า, ฟ า, ฟาลมแดดต่างๆ <_ d ata> แล้วก็พยายามกระทำภารกิจเหล่านั้นมุ่งมั่นอยู่กับภารกิจเหล่านั้น ม่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องอื่นมันจะกระจับกระเฉงกระปรี้กระปร่รปามีความคล่องตัวมีความแข็งแรงขึ้นอย่างสมมติเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินไปเดินมาก็อาจจะได้สักสิบห้นาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีมันยังไม่หายง่วง มันก็เดินไปได้เลยเดินก้าวเร็วๆก้าวเร็วๆก้าวกระจับกระฉิงลงเท้าหนักขึ้นถึงถ้าหากว่าเป็นคารวาสก็วิ่งเลยวิ่งล่ะอาจจะกระโดดลงน้าําอะไรต่ออะไรต่างๆชาวบ้านก็ทําได้คล่องแต่พระก็ทําได้แค่เดินเดินก็ต้องเดินกลางคืนนะฮะกดไม่เห็น เดินได้เร็วขึ้นให้เหงื่อมันออกแล้วก็อาการง่วงนอนเนี่ยซึ่งซึ่งงอยงงเานเนี่ยมันจะบรนเท่าลงไปเพราะในการจเจริญกรรมฐานจึงมีนั่งจึงมียืนจึงมีเดินแล้วบางครั้งเนี่ยอาการหนักขึ้นมาไปไม่ไหวก็เรียกว่าสีหัสสยญาต ก็นอนตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมกันตั้งสติไว้ว่าเมื่อตื่นขึ้นก็จะรีบลุกขึ้นไม่มุ่งแสวงหาความสุขจากการนอนจากการเองจากการเคลื่อนหลับแต่นี่ก็ทำกันแล้วทำกันดีกันนะทำกันแล้วกับทากันดีกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆแต่ว่าคารวะาเนี่ยที่จริงคล่องตัวกว่า อาจจะขุดดินอาจจะวิ่งอาจจะจ็อกกิ้งอาจจะเล่นกีฬาอาจจะอะไรต่างๆได้อีกเยอะเลยจะหมายความมาช่วยในเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจของเราที่มันหดหู่เครือดเครมเนี่ยเพราะว่าเมื่อไปจุดต่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องที่เป็นเหตุให้เราซึมเศร้าเรื่องที่เป็นเหตุให้เราขุดมัวเศร้าหมอง แต่ทีนี้เมื่อเรามาอยู่กับวิ่งจิตก็สนใจที่วิ่งเดิน เ, เร็วจิตก็สนใจที่เดิน เ, เร็วเล่นกีฬาจิตก็สนใจที่กีฬาก็ทำให้ยังยึดมันค่อยๆจางคลายหายไปโดยดับๆทีนี้อีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกหมายความอัธีดำมิทาที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ย จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยเนี่ยอันนี้ขั้นหนึ่งแต่ขั้นหนึ่งก็คือการเจริญสมาธิจนได้บรรลุฌานองค์ฌานที่เรียกว่าวิตตเนี่ยคือความตรึกนึกความเหนียวนึกของจิตมันจะช่วยอาการงว่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึม่อยเงาหดหูเคริบเคลิ้มจืชื่อชาเย็นเนี่ยบรรเทาลงไป แต่นอ น, นอนพอออกจากฌานเจออารมณ์ท่านก็ไปอีกละมันก็แกวงไปตามอารมณ์เรานั้นอีกอันนี้ก็เรียกว่ากลับไปกลับมาเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะเราชนะใจเราบ้างใจเราชนะเราบ้างอะไรต่างๆเราว่ากันไปทีนี้ถ้าเอาเด็ดขาดเนี่ยมันต้องเข้าอาริยมรรคแล้ คือคนที่ไม่ถูกความง่วงครอบงำเลยมันต้องเป็นระดับพระาหารันพระหารท่านจึงแปลว่าพูดตื่นคือตื่นตัวอยู่ตลอดลวเวลาเพราะว่าสติท่านสมบูรณ์ปัญญาท่านสมบูรณ์ความเพียรท่านสมบูรณ์ธรรมะอะไรต่ออะไรต่ต่างๆของท่านก็สมบูรณ์สามารถขจัดสิ่งที่เป็นปฏิปัตษ์ของใจออกไปได้ เดขาดแล้วเป็นการถาวรช่วนิรันด์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะตรงฟังเราสังเกตว่าทั้งสามข้อนั่นแหละมันก็ครอบงำเราทุกวันนะั่นแหละมากหรือน้อยเท่า น, นั้นเองก็ใดข้อหนึ่งมากกว่ากันเท่า น, นั้นเองแต่ว่าที่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ครอบงำเลยไม่มีอ่ะเพียงแต่มากหรือน้อยก็เป็นรายละเอียด ประการต่อไปนั้นอุทธัจจะกับกุกกุจจะแต่ว่าที่ยิงทีนากับมิธานะฮะทีนากับมิธาเป็นกิเลสประเภทเดียวกันแต่อุทธัจจะนี่มันเป็นฟุง้งเป็นอาการของโมหะฟุ้งไปนั้นฟุ้งไปนี้ฟุ้งไปนน้นเรื่องอะไรก็ได้นะฮะบางทีเราคิดธรรมะนี่นะ ก่อนหลับก็นอนคิดธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเพลินไปเลยไปเป็นคุ้งเป็นแควไปกันหลุดตรุดเลยยาวเยียดต่อกันไปอ้าวไม่หลับเหมือนกันคิดธรรมะจนไม่หลับพระเทรา บ, บางรูปเนี่ยท่านเป็นนักคิดธรรมะนอนปับท่านก็เริ่มคิดธรรมะแล้วเป็นธรรมะวิตาโกคือตรึกนึกถึงเรื่องธรรมะไปเรื่อย จนตาโปร่งสว่างไม่รู้สึกม่วงบางทีก็คิดได้ทั้งคืนเลยแต่ว่าร่างกายมันไม่เล่นกับเรานะพเราคิดทั้งคืนรุกงเช้าเราก็ง่วงเพร า, าร่างกายอ่อนเพลียร่างกายไม่ได้พักผ่อนแต่ว่าความคุ้งซ่านในส่วนใหญ่มันมันไม่มีทิศทาง คิดนั้นคิดนี้คิดนอนคิดอุตรุษไปหมดเลยจับทิศทางไม่ได้ว่าคุณจะคิดอะไรคิดอย่างไรคิดไปเพื่ออะไรคิดแล้วได้ประโยชน์ยังไงเราก็ตอบไม่ได้แต่ว่ามันก็คุมไม่อยู่ใจก็ฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วก็จบลงที่นอนไม่หลับตีน้ำมิ่านนั้นหลับมากไปนะฮะต้องฟุ้งซ่านเนี่ยมันนอนไม่หลับ ก็ถามว่าทำไมจึงนอนไม่หลับกันบอกว่าเจตสัวบูปสะมมะคือจิตมันไม่ยอมนิ่งไงจิตมันไม่ยอมสงบอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งจิตมันพลันแล่นไปในรุนต่างๆพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นอาการกุกกุจจะคืองุนยิตตัวเองรองคา้ตัวเองเข้าห้องน้ำก็แล้วดื่มน้ำก็แล้ว ออกมาเดินข้างนอกก็แล้วออกมาเดินจงกลมก็แล้วกลับไปนอนก็เหมือนเดิมต่อสู่กันไปสู่กันมาบางทีทั้งคืนก็ถูกทีน้ำมิทาเนี่ยมันครอบงำเอาไอ้ถูกอุทัจจะกุฏิจจะเนี่ยมันครอบงำเอานอนไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกแล้วพลิกอีกพลิกซ้ายพลิกขวานอนงายนอนคว่าํา นอนทุกียาบทมันไม่ยอมหายสักทีนี่ก็คืออาการของอุทจจะคือฟุ้งพอฟุ้งก็รำคาญตัวเองครับำคาญตัวเองบางคนไม่รู้จะหาทางแก้อย่างไงก็เอาหมอนมาฟาดเอาผ้าหุบ ม, มาฟาดอะไร ต, ต่างๆเตะประตูหน้าต่างว่าไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่างุดยิดขนาดไหน ใจที่ไม่ยอมสงบเนี่ยมันพูดยากเราเห็นว่ามันเสียพลังไปที่หมดอะเพราะว่าชีวิตของคนเรามันต้องมีเวลาตื่นแล้วเวลาพักพักเป็นพักเลยถ้าเรามีสมาธิดีเนี่ยเราจะพักไม่มากมันก็อิ่มแล้วก็เรียกนอนหลับอิ่มแล้ว แต่ถ้าสมาธิเราไม่ดีแล้วมันไม่ยอมหลับอะ่ะไม่ยอมหลับมันเป็นร่างกายอะ่ะเราพูดกับมันไม่รู้เรื่องเพื่อนก็ต้องพยายามต่อสู้กับอารมณ์โลนี้ไปเรื่อยพยายามทนกิจให้สงบจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่น่าการก่อนนอนเนี่ยนอนหงายอาจจะ เอามือวางบนอกหรืออาจจะเหยียดแขนทั้งสองข้างก็ได้และนอนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องออกเสียงหรอกกำหนดนึกกับภายในใจตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ปลายเท้านุ่นคลายสะกดจิตตัวเองอ่อนๆ สะกดมาจากแต่ปลายเท้ามันหลับมาจากปลายเท้าเลยพอขนาดหลับมาถึงขนาดอกเนี่ยฮะมันเราก็หลับแล้วแต่ว่าบางคืนก็ก็ยากเหมือนกันทำไม่ได้ทำไม่ได้มันก็กระสับกระสายจนกินเวลาไปตีสองตีสามตีสี่ตีห้าจึงได้หลับ เวลาขึ้นมาก็รุ่งเช้าก็ไม่ดีละอาการของร่างกายไม่ดีไม่กระปริกระเปล่ามันก็กลับไปสู่ที่นั่งพิทาตื่ง่วงเหงาหาวนอนก็โยกกันไปโยกันมาทีนี้วิธีทำให้ส ง, งบชั้นแรกเนี่ยก็คือพยาไม่จิตส ง, งบอยู่ด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้แหละหาสักวิธีให้จิตส ง, งบ แแนวภาวนาพุทโธก็แนวหนึ่งนะแนวหนึ่งในหลายหลายสิบแนวก็แล้วแต่ว่าใครถนัดจะใช้บทอะไรเป็นเครื่องมือในการภาวนาทีนี้ข้อต่อไปถามว่าอุตจักกุกกุจจะเมื่อก่อนมันยังไม่เกิดแต่ตอนนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร ก็พระใจไม่สงบแล้วก็ทำยังไงจะสงบละ่ะก็ทำใจให้สงบคือใจมันตรงกันข้ามกับที่มันไม่สงบอ่ะจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นการเจริญสมาธิเจริญฌานจนบรรลุฌานรูปฌานเนี่ย ไอ้ข้อวิจาร์นะฮะข้อวิจาร์เขาเรียกว่าวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกกาตาข้อวิจารณ์เนี่ยมันก็จะแก้ความผูกสะไ อ, อค้ความสุขตีความสุขให้เรารู้สึกว่าเป็นสุขแล้วเราก็ไม่ฟูงที่เราฟูงนี่เราต้องรู้สึกว่าไม่เป็นสุข นอนไม่เป็นสุขนั่งไม่เป็นสุขยืนไม่เป็นสุขแล้วใจก็จะฟุง้งแล้วก็เกิดรำคาญผลถ้าถึงได้สุขขึ้นมาเนี่ยก็สบายแล้วก็ทำจิตใจให้สงบลงไปได้ทีนี้ถ้าถามว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดที่จะให้ขาดไปเลยเอันนี้ก็อีกแหละเป็นเรื่องพระอาหารหันต์เวลา คือพระนาคามีอย่างละไม่ได้นะตรงพระหันเทนันทิละได้มันมีสังโยชน์คือกิเลสอยู่ห้าข้อที่พระรหันพวกเดียวละได้คือรู ป, ปราคาความกำนัดพอใจติดใจสยบติดเพลิดเพลิ น, นอยู่ในรูปใบจานรู ป, ปราคะจิตกำนัดเพลิดเพลินอยู่ในรูปใบจาน แล้วก็อุตจักระมาณะ น, นะฮะมาณะความถือตัวอุตจัะความฟุง้งแล้วก็อวิชาสามอย่างห้าอย่างนี้พระสดาบันานั้นเองละได้สามัญชนทั่วไปละไม่ได้ข้อต่อไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่เหมือนกันคือวิจิกิจชา เป็นอาการของจิตเป็นอาการของโมหะเป็นอาการของโมหะที่โมหะตามปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจากเราไม่ได้ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยท่องแท้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนก็เกิดอาการโมหะ ปัญโมหะจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามโครงสร้างในบาสติปทานที่ว่าติดตามว่าในขณะนั้นวิจิกิชานิวรณนมันเกิดขึ้นไปในใจของเราเรารู้ไปจากแจ้งว่าขณะ น, นี้วิจิกริชาเกิดขึ้นไปในใจของเราก็มองเห็นโทษชัดเจนแก่ใจ พยายามที่จะบำบัดพี่จขาจัดที่จะบรรเทาไว้ออกไปอย่างน้อยก็ใหลดลงก็ดูว่าวิจิกิจฉานิวรต่ก่อนมันไม่เกิดอะเวีา น, นี้มันเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรท่านบอกว่าเกิดขึ้นเพราะอายโยในโสมัติการคือขาดขาดการทำไว้ในใจโดยอุบายวิธีที่แยบคายสมเหตุสมผลในเรื่องนั้นนั้น ระบบการคิดไม่แน่วแน่ไม่สับสนภูงสั้นซัดสายไปในเรื่องต่างๆแล้วก็ใกล้ๆกับอะไรล่ะใกล้ๆกับเราเดินไปกลางคืนใส่แสงจันทร์ซึ่งก็วันทั่วไปไม่ใช่วันพิณหรือว่าใกล้วันพิณ หลังจากวันพิร์นตะวันท้องวันอันนี้มันค่อนข้างชัดนะฮะอากาศสภาพแสงเนี่ยมันขมุกขมัวคือไม่ชัดเจนทีคนก็กลัวผีกันมากในอาการอย่างเงี้ยเห็นเงาตะคุ่มเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วก็ปรุงคิดคิดปรุงเป็นผีคนบางคนเดินแบกพระไปไปเจอก็ตตอไม้ ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกลัวว่าเป็นผีก็ฟันโครมลงไปเลยบางทีไปถูกคอพระพระหักไปเลยนันก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่แน่ใจอะ่ะถ้าเรารู้ว่าตอมม้หรือควันทำอะไรแต่เราไม่แน่ใจมันคืออะไรก็ป้องกันไว้ก่อนในสุดก็ควันตอไม้ ทีนี้วิจิกจริษานิบอณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำอย่างไรจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเฉพาะกรณีกรณีนะฮะคือใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยวิธีที่แยบคายมองให้มันชัดเจนในแต่ละเรื่องที่เรายังไม่แน่ใจ แต่ทีนี้อาการของวิจิกิจชานี่มันมันเยอะมันออกมาเยอะเราออกมาเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอย่างสังคมไทยเราเนี่ยแม้เราจะเป็นเมืองพุทธก็เถอะแต่ก็จริงเราก็มีความสงสัยในแปดเรื่องในยอย่างน้อยสักสองสามเรื่องแหละสงสัยในพระคุณของพระพุทธเจ้า ความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเรามีปัญหายเยอะแยะวันก่อนดูข่าวสมเด็จพระเทพทันสเสด็จพระมาร่าก็ไปที่ชเวดากองอไปที่พระาธาตุอินแขวนชเวดากองนั้นบอกว่าบรรจุพระเกศ า, าธาตุของพระพุทธเจ้า ก็แสดงว่าจิตเส้นผูเส้นหนึ่งว่าบรรจุไว้ที่ประทาตอินแขวนพระทาตอินแขวนก็แปลกเหลือกำลังเป็นก้อนหินที่วางอยู่บนแง่หินนิดเดียวเองแผ่นดินไหวก็ยังไม่ตกเลยเขาชื่อว่าประทาตอินแขวนเพราะเหมือนกับพระอินเอามาแขวนเอาไว้ เพราะถ้าลำพังที่วางอยู่นี่น่าจะหล่นไปนานแล้วแต่ก็ไม่หล่นเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์หมายความว่าใครเป็นไปประเทศพมา่าจะต้องไปไหว้พระาธาตุเวดากองกับพระาธาตุอินขวนชเวดากองหุ้มด้วยทองคำตั้งแปดตันนะฮะในเชลเล่นพมา่าในเรื่องศรัทธาในศาสนาเขาต้องยอมเขานะฮะ ือถือว่าเขาศรัทธาจริงๆออกมาก็ดีลังกาก็ดีนะเาศรัทธาจริงๆแม้บ้านเมืองเ็าจะมีความรุนแรงอะไรอยู่บ้างก็ตามในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจในทางสังคมแต่ว่าทางการศาสนาแล้วเนี่ยปู่จนีวัตถุทั้งหลายนี่เขาให้ความสำคัญให้ความเคารพทุรนทุนสูงมากรัฐบาลแม้จะผาเด็ดการนะฮะ ต่ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องศาสนามากวันพระเข้าวัดฟังธรรมจำศีลาราธนาศีลเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าข้าวไปลานเจดีย์ด้วยเราก็จริงแล้วรัฐมนตรีเราเทียบเขาไม่ได้เลยก็เรียกว่าเรายังไม่เคยเจอรัฐมนตรีที่กำลังอยู่ในตำแหน่งมาฟังเทศ ออกจากตำแหน่งนั้นพอเจอบ้างแต่ว่าตอนอยู่ในตำแหน่งเน่ยไม่มีมาความเทศวันธรรมสวรรมาอยู่สักสองชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่ว่ายพระสวดมนต์สวาทานศีลความเทศแล้วก็ผ่านพิธีกรรมต่างๆไปอาจจะชั่วโมง ก, กว่านะฮะอาจจะชั่วโมง ก, กว่าอยู่ขนาดนั้นเราก็หายาก แต่พ่อมาเป็นปกติธรรมดาของเขาก็เป็นอย่างนั้นคนก็เร่งพรัดในเรื่องาศาสนาแต่ว่าทาไมจึงปกครองแบบรุนแรงอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ไอ้เงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่ทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นแต่การถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันต้องถามเขาคือเราตอบเองไม่ได้เ็าก็ต้องมีความจำเป็นของเขา ที่จะต้องใช้มาตรการอย่างนั้นแต่มันก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเขาก็ยังมีความสงสัยอยู่ในพรัตนาใจนั่นแหละเพระะาะถ้าหาเราไม่สงสัยในเรื่องพ ร, รัตนาัยเนี่ยเราไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาพระธรรมกับไตรสิกขาเนี่ย คือมันจะแสดงหลักคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไว้ถูกต้องสมบูรณ์และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือกฎของกรรมกับกฎของสังสารวัฏที่เราจะต้องรับผิดชอบเป็นพื้นฐานในเบื้องตน้นเราต้องรับผิดชอบในกฎของกรรมแล้วก็กฎของสังสารวัฏเพราะว่าเขายึดยุงซึ่งกันและกันอยู่หมายความมาทำดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วอย่างที่เราทราบกัน แต่ตรงนี้พิสูจน์อีกรอบหนึ่งก็กลายเป็นว่าเออก็คงจะไม่เชื่อมั่นครบไม่เชื่อมั่นในพระธรรมตรายครบแต่ถามว่าใครมากกว่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าพม่าสนใจในเรื่องศาสนามากกลางค่ากลางคืนไม่รู้จะไปไหนก็ไปไหว้พระสูตรมนต์ไปนั่งสมาธิกันอยู่รอบประเจดีเต็มไปหมดเลยของเราเนี่หายากนะ นอกจากวันเทศกาลพิเศษใหม่ๆสักครั้งหนึ่งแต่ปีใหม่หรือวันสำคัญวันมาฆ่าวิสาขะอาสาหะแต่ก็อีกแ่ละอย่างที่วัดประวณเนี่ยมาฆ่าวิสาขะเทศรุ่งน ะ, ะเทศทั้งคื น, นะคะแต่ว่าก็คนแก่ๆไม่กี่ค น, นะคะเปลี่ยนๆกันฝั่งเทศ ถ้าลงขวางไม่เท่าไหร่เราก็ปรากก็เปลี่ยนเวรกันเมื่อกันก็นจะอยู่กันทั้งรุ่งเนี่มันก็ไม่ได้ใครฟังสักกี่กันก็ลงไปก็ลงบัญชีไว้ก็แจกบัญชีไปก่อนว่าคนนั้นอยู่ในวารานั้นคนนั้นอยู่ในวารานั้นก็เป็นรูปแบบพิติกรรมจะมากกว่าที่จะ เกิดขึ้นโดยพลังศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพ ร, รัตตนาไตรแล้วก็สงสัยในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องชาติหน้าชาติก่อนนะฮะสงสัยเรื่องชีวิตในอนาคตสงสัยหมดเลยทั้งอดีตและอนาคตที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสงสัยในกฎของปัจจัยาการ ปรากฏของปัจจัยการสายเกิดเนี่ยก็คือกิเลสกรรมวิบากสายดับก็คือการดับกิเลสกรรมวิบาิมันก็มีอยู่สองสายคนเราเบื้องต้นเนี่ยต้องเชื่อสายเกิดก่อนพะเรารับผิดชอบได้ในส่วนสายเกิดแต่สายดับมันเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมะ แต่เราปฏิบัติธรรมมาได้สมบูรณ์ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เราก็เข้าไปสู่สายดับก็โดยธรรมชาติของเขาแต่ว่าการที่เรายังส่องใจยังสงสัยยังไม่แน่ใจยังตัดสินใจไม่ได้ปักใจลงไปไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเคลือแคลงสงสัยอยู่เรื่อยทำดีได้ดีจริงหรือ ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปคือตนขึ้นตน้ น, ตนงิ้วพริ้วไปตน้นขนุนผิดเมียท่านได้บุญทั้งลูกขนุนก็ได้กินในอะไร ท, าทา่าใต่างๆมันยังเกิดขึ้นเยอะในบ้านเราเป็นปัญหาที่ต้องทําความเข้าใจแต่าหากว่าเรายัางเครือบแคลงสงสัยตร ง, งนี้อยู่มันก็ยากนะยากที่จะให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขโดยสันติสุข เพราะว่ามันต้องอาศัยศรัทธาผู้ควมต้องใสยเหล่านี้ในชั้นแรกต้องอาศัยศรัท ธ, ธามันเป็นเรื่องสุดที่เราจะยังรู้ได้เรื่องสุดที่เราจะยังรู้ได้แล้วเราก็ไม่รู้จะยืนยันหรือปฏิเสธอะไรมายืนยันเราก็ไม่รู้คนตายหมดแล้ว เราไปเศษเราก็ไม่รู้ไปเศษอะไรอย่างว่าเขาเล่าถึงบรรพบุรุษเล่าไปไกลๆเล่าไปเจ็ดแปดชั่วบรรพบุรุษเนี่ยบางทีเราก็เจอว่าเราก็สืบเชื้อสายมาจากคนสําคัญแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าจริงนอกจากคําบอกเล่า เรารู้ได้ยังไงไม่จริงเพราะไม่มีใครปฏิเสธคนปฏิเสธมันก็เกิดรุ่นเล่าเขาเรียกกันาาว่าจะรู้ได้ยังไงแต่คนเล่านี่เป็นคนเกิดมาก่อนแล้วพอเล่าต่อสืบๆกันมามันมันก็ไม่มีหลักฐานทั้งยืนยันและปฏิเสธเราก็ต้องปล่อยไป แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้สึกว่าท่านเป็นบรรพชนจาทำบุญอะไรเราก็ตั้งใจอุทิศกุศลไปให้ท่านด้วยความสำนึกคุณจะเป็นบรรพชนหรือไม่เป็นบรรพชนก็ได้ก็อุทิศกุศลส่งไปให้ท่านอย่างน้อยเราก็สบายใจอันนี้เห็นไหมเราชักความเชื่อ ไม่รู้จะหักล้างอย่างไรไม่รู้จะยืนยันอย่างไงแต่วันใดเราเกิดมียาห์ขึ้นมาเราก็รู้แต่เอามาพูดกับคนไม่รู้อีกมันก็พูดไม่ได้อีกอะเก็หาวห่าโกหกเป็นบาปเป็นกรรมกันไปเปล่าๆใช้ความเชื่อปู่าทาวันเล่าไว้อย่างนี้โบราณต่เล่าต่อๆกันมาอย่างนี้ ปูย่ยาตายายเล่ามาอย่างเนี้ยก็สองสามเดือนมาแล้วลูกของอาเขาเอาเอาผมสีทองมาให้จะบอกว่าเป็นผมของทวดเออทวดเอามาก็ไม่เห็นนะเกิดไม่ทันแต่เราก็จำลายมือของอาได้ อาเขียนเอาไว้ว่าผมสีทองของคุณตาพ่อหนูกรอบเราก็รับไว้เก็บไว้แต่เราก็เป็นพระรก็ไม่กี่วันเราก็ตายแล้วก็ให้น้องเขาไปเก็บรักษาไว้เพราะเขามีลูกสืบสกุลแล้วก็ให้แจกจ่ายกันไปเพื่อจะช่วยกันรักษาไว้เป็นที่ระลึก จริงไม่จริงแต่เราก็เชื่อว่าจริงเชื่อเพราะกระดาษมันเก่าหรือเกินแล้วก็ลายมือเนี่ยก็ยังอยู่อย่างงานได้ก็เราวินิชฉัยตัวเราไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องใช้ความเชื่อ ทีนี้ถ้าพอถึงจุดหนึ่งเรามีปัญญามากพอคือมีโยนิโสมนณถิการมากพอเราก็ตัดสินใจได้แต่จับใดที่ยังไม่ได้เราก็ใช้ศรัทธานำอันนี้ก็คือหลักการฮะศรัทธากับปัญญาเนี่ต้องเป็นอย่างงั้นะเราใช้ปัญญาหมดเราก็ไม่มีปัญญาพอเราใช้ศรัทธาศรัทธาหมดมันก็อาจจะงงง่ายได้ ก็ต้องใช้ศรัทธาที่เจือด้วยปัญญาอย่างน้อยต้องให้มีปัญญาเข้าเป็นเครื่องมือในการปีนิวิจัยหาข้อมูลเสริมเติมพอสมควรทีนี้พอมาถึงด้านฌานเนี่ยไอ้วิจารเนี่ยมันจะสงบได้เพราะวิจาร์มันเป็นปัญญาวิจารเนี่ยจะสงบนิวรณนข้อวิจิกิชาได้แต่ก็สงบแบบสยบ ไม่ใช่สงบได้อย่างถาวรพอละขาดเอาะสีทีนี้ไปโน้นเลยไปถึงพระโสดาบันถ้าเราดูว่าเออพระโสดาบันท่านใช้ปัญญาหรือว่าใช่ศรัทธาพระโสดาบันศรัทธากับปัญญามันสม่ำเสมอกันแล้วนะ เพือนคุณสมบัติของท่านมันก็มีทั้งส่วนศรัทธาแล้วก็ส่วนปัญญาแล้วก็ส่วนใสสีขาแล้วก็ส่วนดานสังโยชน์อันนี้แน่นอนหมายความสั้ท่านศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใ่สิกขามันไปขจัดความเคลือบแคลงสงสัยสามข้อสี่ข้อที่ว่าไปแล้วได้หมดในขณะเดียวกันท่านก็มีปัญญา เป็นทิธฐิสัมปันนะคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นก็หมายความว่าโมยนิโสเนศมนุิการนั้นไม่มีปัญหาละแต่ในขณะเดีวยวกันกิเลสท่านดับดับไปสามข้อแล้วก็ดับตัววิจิกิสาด้วยดับสักยะทิฐิวิจิกิสาสีรับปัตรพราหมาดด้วยและนีิุคณ์ท่านดับด้วย ไม่ใช่ไม่่นิวลณ์รดับหรอกค่ะคือว่าสังโยชน์ันดับแล้วศีลสมาธิศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณเราก็เห็นคุณสมบัติว่าเออคุณสมบัติเหล่านี้มันก็ไปแก้วิจิจิจิชาได้คนที่ละบิจิจิจิชาได้เด็ดขาดก็คือปศนัน เรายัางอยู่ห่างไกลเท่าไรเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพยายามก็นแล้วกันตนัวไหนยังใช้ปัญญาไม่ได้เราไม่มีปัญญาพอเราก็ใช้ศรัทธาตัวไหนใช้ปัญญาได้ก็กำกับด้วยศรัทธาอย่าใช้โดยลำพังเพราะว่าบางทีมันก็กลายเป็นเฟื่องเป็นเฟื่องไป เองไปซนทุกสีทุกอย่างมันก็ไม่ดีเหมือนกันนี่ก็เป็นหลักการที่ประเทราได้แสดงเอาไว้ในคาถาที่หนึ่งพนะฮะันเก้าต้องฝังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้